กิจวัตรพิ ธ, ธีวัดต้องรูเร่องที่ต้องมีต่อทศชาตนาพระพุทธศาสนาการทำรับชวดมนสาธยายเอาคำสอนพระพุทธเจ้าหมายสาธยายให้มันใกล้คิด กับชีวิตของเราสิ่ไหนที่อยู่ในพระพุทธเจ้าเราก็นนร่ำรวยเราิไหที่เป็นธรรที่เป็นกุศลเราก็นงงงมาให้เป็นของเราสิ่งไหนที่เป็นอกุศลเราก็ทิ้งไปสิ่งไหน่มิ้งก็ขาดไปยึดสิ่งไหนเป็นทุกข์ก็ยไปยึด สินนายกน้อยใช่ตอนก็อย่าพ right right ิลล์จิตเอาเอาก็พูดจากวาจาจากปากจิตใส่ใจตามเอาไปเอามาก็เป็นไปตามควาพูดทำให้เตือนได้โดยเฉพาะการ ปฏิบัติธรรมการเจริญสติสติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรที่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าเป็นสูตรที่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ตรงนี้ล่ะเกิดอยู่ตรงที่เจริญสติกิอยู่ที่ต้นโพธิโพธิก็คือตัวสติตัวปัญญา การรสึกตัวเนี่ยถ้าเรามีความรูสึกตัวมันก็จะเกิดการพบเห็นถ้าไม่มีการทบเห็นยิ่งก็เจออะไรไม่ได้เหมอกัหมอตรวจพบเห็นโลกแล้วก็เห็นสมมติฐานของโลกหมอเขาจะเจอได้แต่ตรวจแล้วไม่มีการพบเห็น มันก็เจ่อ ไ, ได้เลยหรือเหมือนกับต่อสร้างรถ่รถคนในมันเสียคนไหนเชื่องเขไม่พบเห็นตนที่มันเสียก็ไปไม่ได้มันก็เชมได้ว่าตายอยู่ข้างทางการพบเห็นบุญการพบเห็นบาปการพบเห็นศีลเห็นสมาธิปัญญาเป่นเช่นเดียวกัน หรือเห็นอาวัยยุบลเห็นพวกเปลกสัตโกดีลิลอกสุรกายเห็นมันจะกินเกดเห็นสว์มันจึงไปสวรรค์ได้เห็นนิพพานจึงไปนิพพานได้เห็นุก็เอาุได้เห็นบาปก็ลบาปได้ที่มันจะเห็นถึงเล่านี้ก็คือตัวปฏิบัติสมัยโน้สมัย สามสิบสี่สิบปีมาแล้วบ้านพ่อเขขายบุญกลัวบาปากได้บุญทก็บุญเกล้าหาบู่ทไรก็ทั้งนนเื่องทีง่าบุญบ้านพ่อแม่พี่นู่นคนเท่าคนเจก็ไปทกันทั้งไ้กับเข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 เห็นคนเกิดก็ว่าคาถาลงไปเห็นคนเจอเ ห, นนจจห <c oughs> เห็นคนเจุบแต่ว่าเห็นเห็นคนเจ๋อาฟืนกรเดินไปอาบน้ำเพราะว่าคาถากุ้จงจะน่า่าเกจุลื่นแต่ว่าขาฟืนผพฟืนเราก็หอบฟื้นขึ้นบ้านแล้วก็ว่าคาถาแล้วเราก็ไปช่วยผาฟืน ไปช่วยหาบเฟินคุณบ้าน้ขาก็โดนโดก็ได้ซื้อมาจังได้เก็บอกเขาหลันั้นก็ต้องนี่งต้องเาเป็นบาปเป็นบุญไม่ได้คำพูดไม่ได้ความคิดคิดกับคิเอาไม่มีการพบเห็นจนมาเลย ยิ่งข่าวของปูเทียนที่จังหวัดเลยว่าเรื่องดนเรื่องบาปแก้รู้ได้ท่านปฏิบัติธรรมละบาปได้เรื่องดุนเรื่องพระพุทธเจ้าชนะเรื่องสว่างภาณปฏิบัติได้ต้องไปเรียนอะแล้วก็มีอะไรขึยนก็น้ำหัว จะอดโดยหลนทนในหลักเรจะเริงๆเลปฏิบัติอย่าลเรื่องบุญเรื่องบาปอ่อแยกครอบไปเลยทิ่งทุกอย่างเพาว่าเรื่องบุญเรื่องบาปลื่งใหญ่ถ้ามีบุญก็ไปสวรรค์ถ้ามีบาปก็ไปนรกไม่ไม่อยากตกนรกเราไม่อยากเป็นเตราไม่อยากเป็นสุรกายเราไม่ อยากเป็นสติระชาเพราะมันเป็นเท็จก็เชียนภาพไปก็โอ้ยทรมานดัน้ขกลัวงนก็ต้อง เ, อเงอ <c oughs> ว้เวยโคกไปให้ปฏิบัติเขาก็เทียนท่านก็สอนทาให้รู้เรื่องบุญเรื่องบากให้รู้เรื่องธรรมะแล้วก็ถามว่า คุณทำงานเดือนหนได้กี่บาทก็ตอบท่านาว่าไปเดือนละพันแล้วหลวงพ่อถ้าทำงานห้เดือนหนึ่งไม่รู้อลไเราจะเสียงเงินทที่เราไปแบบนขึ้น ใ, ใจไปสอนหลวงพ่อเชิสอนก็สอนไม่ยกมือสร้างใจว่า <c oughs> แบมันก็ไม่คดีต้องเคลื่อนมือต้องไหวมือมม่สุภาพ แต่เราทำเราทำแบบนุ่นตงตรงสงบท่าทางมันดีกว่าแล้วก็ไม่เคยสอบวันนี้โดยนลวงพ่อเทียนก็ท่าทาถ้าคนท่านี้ไม่รู้อะไรเราจะเคียรกันไหเขาเป็นโยมเป็นคบรวาเห็นความมุ่นใจห่วงปูเทียนเห็นความมุ่นใจนะเห็นความนู้นี่เยเลย ึใจทาลองดูน่ก็ยังคร่้มกลางๆทำไปลองท้ก็กลับมาหาสงบเราโยไปไปหลังกามาอยู่ในความสงบเพความสงบมันมาตั้งสิบปีปีฝึกมาแลบนั้นดึงงห็กับเสียงของความรู้สึกตัว ความสงบกองพูดสุดตัวไปฟัง <meat> ก <going llow> ันความร้ส <the <Sims meet them> ุดตัวมี้เลาออกจากท้ำมันยืนอยู่ปากถ้ำมันดูถ้ำข้างในถึงและข้างนอกบวามสงบมันก็เงียบอยู่ในถ้ำไม่เห็นข้างนอกแต่ถ้าถ้าเรารู้สึกตัวหน่อยนรือวเราไปยืนปาก่านมองเข้าไปในถ้าก็เห็นมองไปข้างนอกก็เห็น เออมันเห็นทั้งสองทางทยนที่เราจะเข้าประยชนในความสงบล้วก็มาดูมันซะทีเคิดหราก็เห็นมันดมันเอาไป้มันจะเกิดดทุกปคิดอะไรก็เห็นอดีอ่าการมีอยู่ปากทิ่งชิงเรืองชิงเรืองดูมันเห็นทั้งสองอย่างมันก็เลยเป็นอิะเป็นอิะมันก็เกิดการเห็น เกิดการพบเห็นเห็นกับหูกับตาตามเป็นตาในด้วยไม่ใช่ตาเนี่ยนะว้ยตาในคือความยุตสุดตัวมั้เกิดอะไรขึ้นที่กายที่ใจแล้วเราเห็นไม่มีตรงไหนที่ติดตั้งอัมพรางภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ เราดยู่เราเห็นอยตายนลมดูเหตากอม่มตรงไหที่มีความลับความสงบก็เห็นความมุ่งสงบก็เห็นความสุขก็เห็นความทุกข์ก็เห็นความคิดก็เห็นความหลงก็เห็นความรู้ก็เห็นเห็นทุกอย่างเลยภาวะที่นมีได้ดุจชัดขึ้นตรงน้ เรื่ใจกับภาวะที่ดูภาวะที่เห็นนี่มาดูกายที่มันเคลื่อนไหวนี่มันมีจริจริงกายมันก็มีกาย ต, ตัวที่มันเคลื่อนไหวมันมีจริงสิ่งที่เคลื่อนไหวมีใจมีจิตมีินยานมีธาตุรู้มั น, นมี่เเห็นแต่ตอนนพอรูาคือดูตัวนี พอพูดเขาอยู่ก็ประมาณถ้าพูดตะคุยไปอเอมาดูน่ัก็เกิดได้คาตอบคุณมาก็จับเครืองขึ้นไปรือยๆเลยจะมาเห็นรูปเห็นนาำจะมาเห็นลูปดูเข้าไปเข้ามามันเห็นเห็นเป็นรูปเห็นเป็นน้ำนะได้รักสตรแล้วระเด้น ได้หลักฐานนี้หลักฐานไดนี่คือผู้อายตวการสอบสวนจนเลยที่เขาตัดสินรับคดีฟ้องมีมูลการฟ้อลสอบสวนไปดูไปแล้วก็าน้นได้หลักฐานไม่มีหลักฐาน นี่นนไม่แล้วขังยอมรับสารภาพเห็นลูกัมก็บอกว่านี่ลูกขมีเป็นอะไรกับคุณเราเป็นลูกเป็นงามแลก็เป็ น, นเรื่องของงามพงกับพิมมันก็บอกลูกมันก็บอกส่วนที่เป็นลูกมันบอกมันมีอะไรมาก มันเปิดออส่วนที่เป็นนก็เปิดตอมันพาให้เราดูธรรมะชั่งก็โกิการสอนเรารูปมันสอนนามมันสอนยังใม่เที่ยงอย่างหลังมันเป็นทุกอย่างหลังมันไม่ใช่ตัวตนอย่างหลังรูปมันบอกนามมันก็บอกอาการต่างๆที่เกิดอยู่กับรูปมีอะไรบ้า อาการต่างๆที่เกิดอยู่ก so ับนามมีอะไรบ้างธรรมชาติของรูปตายเดียวเป็นยังไงธรรมชาติของนามเป็นอย่างไรมันบอกแต่สิ่งนี้เป็นธรรมชาตินั่นก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอาการก็เป็นอาการมันบอกรูปมันทุกข์นามมันทุกข์มันก็บอก ทุกข์ของโทุกข์ขงามมันก็อบอกเราที่เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่กังวลรู้ทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์ที่บันเทาทุกขอ์กข อ, กอะไรที่เป็นทุกข์ทีท่ละมันก็เป็นลหลัง เ, เหวจัดสำเหลวไปเป็นการจัดสำเหลวไปส่วนไหนที่เป็นทุกข์ที่ละส่วนไหนที่เป็นทุกข์ที่กังวลรู้ แต่นจะเป็นทุกตรงเงินทองก็บอกอย่าทุ่กับทุกข์เป็นระเบียบอย่าท่งกับอาการของรูของงามของกายของจิตเป็นไม่หยุดหรือว่าไปถูกจัดฉันจัดการกับชีวิตของเราแต่ก่อนนี้ผู้จัดการเต็มไปหมดยตะพุ่งตะเือห่าหรือว่าอะไรไปเลยของท่กคนจะทุ่งเราไม่ทิ้ง การที่อนจะสร้างสรรค์ก็ไม่สร้างสรรค์ลองดูสช่ไหมบางทีก็สึกเป็นยาว่างทีก็ทุกขนเป็นใจบทีก็มันหลงเป็นยาวสารพัดแต่วันนี้มันจัดการภาวะที่ดูที่เห็นก็ไปจัดการหรืกับกูรจัดการบริษัทอะไรต่างๆบริหารจัดการ ก็ทางที่จเจริญไปความถูกต้องจเจริญควางไม่ถูกต้องพูดหายไปแล้วแต่ความดีความถูกต้องไปรู้ลึกลึกงบาปไปเห็นงึมเห็นบาปเ อ, อไปเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาไปเห็นศาสนาไปเห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ เออมืออย่านี้ตัวมุคือตัวดูตัวรู้ตัวเห็นตัวหมาคือตัวไม่รู้อะไรนี่พรจะดูที่เห็นรอที่รู้เห็นนี่เป็นตัวบุญนี่หลาหาปพือคือรู้หมาเพื่อรู้อะสุกอวาทุกอก์โกดอว์หลงเวาแล้วก็จังอว์นี้รู้โดยรู้จอเห็น เราสมงอายเป็นคนโกรธไม่เอาอราจุดเห็ดหรือเ็าทำอะไรที่มันเป็นเรื่องถูกต้องเราปลูกแล้วเราปลกันยากขึ้นเราเวาไม่เอาให้มันงามแล้วไปจุดเห็ดเห็ดอันไหนที่มันมีพิษเราไม่เอาเราจุดเอาเห็ดที่มีพิดแล้วเราจับจัดการจัดสรร และดาบให่ทํางลุ่นดาบแล้วก็มีบดบาทมีวิธีบทบาทรู้บนรู้บาปเห็นบนเห็นบาปรู้เห็นทุกเห็นหมดไม่ใช่คิดเห็นนู้ศาตษนาซาษินาคือคำสอนทั้งหลาย แต่พุทกศาสนาเป็นตัวปัญญาที่รู้ที่ตุ่นที่เบิกบานที่ออกมาที่ออกมาแล้วว่าพุทโธทนี่แหะพุทโธพุตุนทุกข์มันตื่นขึ้นมามันเห็นมันเราเห็นเรามันกำเนิดตัดเราไดาเห็นนามเราก็ไม่ต้องระเยียบนามไนั่นตืน่นมัเห็นพุทโทธจะตืน่นเพอเห็นทุกข์ตื่นทุกข์ มันก็เราไเห็นุบนก็ักดกนมเห็นเีเห็นมันหลดพ่นเนะเห็นความทุกข์เ้นจากทุกข์ความโกรธเราพ้นจาบความโกรธเห็นความสุขมันก็ก็มีสุขมัก็รู้เห็สุขเกี่้นสุขงรปนมนาแต่ความรู้มันทำทุกอย่างมันทาทุกอย่าง วันนี้รูปมันทำดีงามมันทำดีรูปมันละชั่วงามมันละชั่วก็เปิดไปถึงตัวสุดเด็นยวเรมีสตินี่ยเมีสตินี่มันก็ทำดีเนี่ยมีสติมันก็ละชั่วแล้วมีสติกินว่ามีลึกสุดแล้วเมื่เปรีเพิ่มกับอันไดก็เห็นไปเห็นรูปเห็นแบบเห็นศาสนาเห็นทุกทุศาสนา ลกสเรื่องอ์ปนามมาพี่ก็มามาดูทุกอพอเราทุกอย่างนชวน้ดูมันชวน้ดูมากทุกอย่างมันเป็นก้อนทุกอย่างมาดูทุกมันทรูปทุกนามทุกทุกอย่างมันชวนให้ดูก็เ อาชีพผ้าผ้าหรทำอะไรทังนเชิญที่เราทํศาสตร์จักสานเนี่ยกรรมิลปกรรมนันชวนให่ทำนันชวนให้เห็นท่าทายกับความทุกท่าทายกับความผิดที่เราจักสานเนี่บางทีตั้งอะไรมันเป็นศิลปะมันอยกแกมันอกบอกคร เราทำ้ปเราก็ือแสงสว่างกระติกข้าพอถึ ง, ถงเราถืาอพอมาเราดูมันเป็นศินละปะอเราถึงผิดแล้วก็อมันเป็นศินละปะไม่ลงไม่ได้ไม่งลงเชื่องไมลงตัวไม่ได้มันต้องสมไดะมันต้องได้ติดคนขี่มันจะเรามีการบางมันทุกข์กับกาบ้างมันเลงขาู่ นักเรียนถึงการบ้านถ้ายังยไม่ได้ทำการบ้านมันก็จะเล่นไม่ได้เลยต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนอันมีบ้านที่ตื่นขึ้นมาแต่ยังไม่กวดบ้านของข้าวของเปล่ล้วยังได้ไหนไม่ได้แต่ลูกตื่นขึ้นมาก็จะกินอะไรต้องเอาเรื่องนี้ก่อนว่าลูจะเดดได้เมื่อจะยืดขนาดไหนมื่อต้องไปหุดไปหุงข้าวหุงข้าว ท่านอุ้มโลกท่านทำอะไรต่างๆแต่ว่ามนสนใจที่จะต้องทำเรื่องข้าวหาอาหารให้โลกเด้๋ยวเรจะไปเรจะได้กินไง่นมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการชวนให้ชวนให้ทำหรือว่าเพื่ออะไรก็ไม่รูุ้นขึนเลยไม่ได้ด้วสิ่งที่ควรจะท่บ้านเต็มไปหมดแล้วทำยังไง พวกทุกข์เป็นวนให้ดูชวนให้ศึกษาันจะต้องเป็นทุเป็นสิ่งที่บมัมเพราะนความเห็น่ระสเฉะห็นอย่างกระสุดกันเห็นตา่นทุกจะทุได้ไง่าดูมันช้ให้เราความทุกข์ทุกอย่าง ในอุตุเรือมันก็จะมุงหีไปเลยอืมทุกวันทุกวันต่างหลายวันหลังจากเราขึ้นสันฮะบักขึ้นสุดโอ้พอที่จะตรงน่ทันสันบักขึ้นสุดมั้งพวกคุณจะต้อนเราเดี๋ยวล้มอะไรอย่างเหรออืมอนี้ไม่ได้ทำขยิบเยอะตรงสันนี่จริง ยังหลุดมาเลยแต่วางเลือกเอาขึ้นไปกันลมเราเพลคโคบเพลรุกต่างอันนี้ผมพูดถึงทุกมันไม่หลุดตกตันนวางเลือกลงมานี่โอ้หลุดทุกอย่างที่เป็นไรวางเชือกเลือกเชือกยางเชือกผีเชือกอ่าวิธีต่างๆนี่มุดไปหมดเลยแตก่อนเป็นหัวเซลล์สัตว์อ่าเป็นหัวเล่าผีเป็นหัวอะไรคาถาเอาคนไรโอ้ ไดาเรีย น, นเรียนหนังสือ ส, สมุดปากแข่งสองาเล่มใหญ่้งจนหมดเลนกันตั้งแต่เข้นอนตอนเย็นนอนมคืนตงคืนอาจจะไม่หมดถ้าใครที่ไปรักษาคนป่วยยังผีดุกลวเราจะสู้ผีไม่ได้ต้องทำคาถาเอาจดหยอกสิอบบางี บางทีว e ่าค้าเาบางบางอันปฏิกรรมได้เช่นคาเาเสยสตว์ปกรรมตัวา้าพุง่อได้เอานตัวพุนตันจหยุดได้เออขาัได้แล้วเรียกว่าิกรรมาจิต คึ้นนู่นนี่แล้วต้องอนนอแต่มามาเห็นสมมติการเห็นทุกข์เห็นสมมติเข้าไปเนะี่ส่งนี้ะระจไปก่อนเขาเราหลงหลง ม, มาการเชื่อผีการเชื่อวิีทำความาต่างๆลมไปหมดเลยไม่้กับการกระทาของเราแล้วบัดนั้นใจี่นีมันต้องเป็นกระทาของเราไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่น ไม่ได้จอกับพิธาลีร์อย่างอื่นเชี่วกับการกระทาของเราแต่เป็นบุญจะเป็นบาปมันก็อยู่กับการกระทาของเราบุญดีอยู่ตรงนี้บามันตรงนัตรงนี้นี่มันใจละบนเนี่ยเต็มไปกับเห็นจริงๆไปเห็าแบบรักแบบได้เห็นนอที่ไม่เหมือนก่ไม่ถึงก่อนเดมเรากองเราน่เราเาบของหนักเนี่ยแต่ตอนมื้อที่โน แล้วยมันต้องรัสิกิโลเนี่ยควเบามันก็ปรากรควาหนักมันก็ปรากรแล้มีใครบอกนันไม่ใครบอกเราเห็นเงนเห็นบาทเห็นเบาลำหนาใจมันเบาควาเง่านลงมไปคักคามชังลืมจบความโกรธความรู้กความหลงลืมไปคนที่เกรธก็กลายเป็นไม่โกร เป็นธรรมดาธรรมชาตินะแล้วก็กฏมันมีผลมันมีสิ่งที่สมผันสนสสมผัสกับบุญเวลาบา ป, ปบามันออกไปมันก็เบาอันนี้นะมันเวลาหาบของแบบมกนกดดันก็ไบาสมัยก่อนมาหาบหน่อยไม่พี่หูโค้งโค้งหน่อยไมเปวดหาบใม อ่ะครมเอ้าเหนือนี่กิเป็นก่อเผาดีนาเจกะตาหาไปเนหัวช้่กขึ้นมาไหละตานี้่างาอ้ท่มเสะตาหน้ดันถึงื้อเสอต้กน้น่ะัจัองไปหาบอยขบบ้านนะครับกับตตัไปา ต้องมีเงินกันก็ต้องมีเงนจมาอืมอไม่รล้อะไรบ้างขึ้นถนนละมาพัทยาแดงข้นาเห่าก่าๆบางหลงหัวไหางทุกต่างๆลลย้วยกันเลยลึีด้วยกนะไลเนี่ยอ่าหลวงเพี่อน เอกน่ะ้ออได้ถ้ามันเ้่า่านีีี้คือตัว้เนี่ยตัว้ตัว้ทุกตัวจริงเลยตะวันนะ่แล้วโอ้ท่านตะวันมน่หนาบมอยู่ด้เกิดสิขึ้นมาบัดเกิดสาิเกิดไปหาทบัดทนทีปับ เรา่าบอกาไมรเพราะว่าปั๊บระดเดีวไ่เป็นที่งชืไม่ไม่มีทุกคนมทุกคนมีนะไม่มีคนไม่ไม่มีคนโกรธคนไม่โกรธ้็มาแทนไม่มีคนหลงคนไม่หลงก็มาแทนต่างเการะบานพ้นภาวะเก่านู่เลื่อนวิปัสนาระบาดโอวิปัสนาคือตัวลู่คืภาวะที่ลู่เกินเก่า ดึงเก่าเลื่อเทาเก่าดิบดึงด้วยแบิดงไม้วแบดึไม่ดึงเก่าเรานสะอาดก็เก่าก็ขาหัวละอ่าม่ใช้เ้อไปังชมังเลยไปจับเงนี่มันก็ดีอืมเงจนี่เพาะนาินี่กินชหมเออเอ๊ะโ่รมึงเซยไ้สิ่าเท้นเก่าแต่ว่ามันสะอาด แล้วมองว่าทำให้หายอะไรบ้างต่อหาเพื่อนเก่าที่เดิมเพื่อนคนนี้เป็นเดิมดิมเลยถ้าม็เปลี่ยนนะสองสิีมันเปลี่ยนขึ้นมาเราจะบอกกเ่นมหัดกับเพนความซนเอาเพื่อนความอิจฉาควมหลิเพื่อนคว้มโกรธคาลวามโม้จเ่าหียไปเันนี้มนฟื้นขึ้นมาขึ้นสู่สภาพเก่า เด็สู่สภาพเดิมประภัสสรเลือตังพิฆเเวกิจตังตังจิจที่บริสุทประภัสสรกิจลมเลยมันเข้าสู่สภาพเดิมขึ้นอ่าขึ้นขีดเด็กคนนั้นพันไปทุกทุ่ทุกภพทุกชาติทุกหนึ่งอยงวันนึ่ยืนยืนยืนคงยืนคระบิดไม่รอดไปใช้ระเบด ได้ที่แล้วแบบจิมันได้ที่อยู่ไม่ใช่จิตหรอมันสภาพสภาวกรรมที่มันเข้าที่มันเข้าที่มันถูกต้องมันไปไหนไม่ได้แันอย่านี้ที่มันได้ที่ของมันแล้วก็มันก็สรงตัวมันอเราปลูกบ้านอะไรที่มันเข้าที่มก็อาศัยด่าเราด้วยหลงพ่อเน็ตสลากนี่เราขอที่เลยยกเพื่อหลวงพอเที่ย เเป็นฮม้ขันี้้นเลยแต่ผมถาข้อที่อยู่ได้นะงจะอยู่ได้มีข้อที่มันอยู่ไได้ไม่ใช่ไได้เพาาข้อที่ดี่เก่าดีเก่าถูกัฒนาเดนขึ้นบว่วัฒนดีขึ on, es, so ้นเลวต่างกันใถามดีขนแลวพบท่ี้ มันปกอบหรือจว่ามันปครบ่พบภูมิมันพบใหม่ทาวใหม่เว่าอ่าอุทัยงานสามสติงานตะกี้นะตะโกนกันนะยังไงตุ๊ตุปเจริญนี้มันูใส่อาสาเกยรติยานนี๋ยวนไปแล้วอันนี้ไม่ไ่ รูกัตตังเลยคิดต่ผู้เป็นโยนิตรโอ้ทาุาอมันยังไมรู้เพื่อเปีนวาสนสติาเือสามสิปี่สปีนยังไม่ไม่เพิ่มขึ้ต่างก่อนตกอนบาคนหัวลกเรื่องเรื่องมากาเทีว อือกินอที่งเกิดขึ้น่ันวเนี่ยที่เกิดที้อั้อยู่ตรงไหนดร้วานี่ยดิฉันเคยรูนต้นไองตรงจุดที่เกิดที่เกิดที่นั้นอาขยัน้ไปางอย่างสิไปอาศวะให้สิ้ไปอาศวะที่ดีาไป ได้สิ่งใดยังได้มันอยู่เมื่อไหร่แสงสว่างเกิดเห็นขุ่นเหนอยู่่อไร่ะุ่นหนื่กับมไหรลแสงสว่างเห็นบ่เห็นพอทะยุกจงเห็นความสะอาเห็นไป้างอ๋อความสว่างเกิดเห็นเห็นเงิเห็นบาปเห็งินเงิงเหบาปรเห็นความชั่วละชั่วทงๆอือเจอในกัเมืองเหิประดับหลบุ่ง อาสุรยพุ่เตมีรสานพุ่งพ่ง้รเรรอยิัพุ่งเราจกันเลยเราไปส่พงม่ยท่ไาเป็นเดียวอันนี้คือวิปิบัตทัมปิบัตทม้งเป็นันนี้ต้องตบเลยถึงจุดอันนี้จะถึเลย ต้องย่งไปยุ่งเหงื่อเกดต้องสรางสติให้สรางความรู้สึกตัว่านะครับดวงตามดูเห็นตาม่กปุ่นไม่ยออยากดีเสืมบดุ่งบิดทุ่งเมทุตทุ่งดวงตามดูเนี่ยไ่ดูโย่นดูลกอโไรวกล้ว้วทั้งหลายจะมาดูโลกนีอันวิจตการดุาชีลักษ หลาดสลดคือมันตกแปลงเลยนะเงกเลนะเขาแปลงสีงกลนแปลงเสียงงลมถึงม่ลดกลกกกก็ม่เสียงก็ม่ลดเลยกินมลดเลยตายก็ไลดเลยถม่ลดกลกกขถึงลงาปลันางกเขางลงเปลี่ยนไปขากไกากมาเซลล์ของลดแนบเลยเนไหมเซลด สองสามช่วโมงเราก็เอายในใส่ลงไปก็ไปปีนเอ้เชอบเจ็บเจ็บแล้วรีนี้รถที่เขาหลงเยอะเองมีกิจการเถที่รถที่คนหลงทั้งหลายรถอยู่เละจมอยู่ผู้มีพันญาหาคมอยู่นี่หาคมอะไรเธอมาหลงอย่างแบบนั้นเลยวตรงนี้หลอกกัน ผมไม่ต่างกปัจจ well. ัยดีที่สุดปัจจัยดีที่สุดหลวงพ่อหลงพ่ดีที่สุดปัจจัยหลวงพ่ดี่คนดีที่สุดน่นดีที่สุดเช่อไม่เื่อแล้วกอเของกิ่ควบกิ่กูต้องใช่ฮะหลวงพ่อรอฝั่งนอกไอ้เชื่อหลวงพ่อเลยต้องท่อแล้วอ้ไม่จำงค์ของหลวพ่อันนี้โลกของเกิดเลยต้องมาปฏิบัติทำไม่วันนี้ก็เวลาแล้ว พอชิ้นเนีชินทั้งหลายท้างกันสมาธิปกาจิณสิทธิ์ปาจิตวัสสภะกันสาธุสาธุสาธุอัคคปนโตปกติอธมิิวัโตเอวะรูปโอโนโตทวัโตพุทเทนะมรรคตา ปัญญาตั t น์ธรรมตาวร t ตาเจวะกัสสะทายาอุปาตตาอุปาติการังุโตัสสะสาโลติันมังคนโตสเพยัมาตาสัสภวโตมาธมะปฏิิาปูนาาิมัจริมัจติวสังอังสัมมาังโตอุปิามติ ตาลักฤทธิ์เชิดทางกตวาสังตังเวรมฤทธิวาอภิชิตาชิตตามุตตวาสะกัจจังอุปโธตะังสมาธิเยียมะอิติสังหิอุปโธตะทังสมปตานาหาตังอิตังมานิรตะตังโหตุขอประกาศเรื่องเรืองคามที่จะสมาทานรักษาโวจดอันพร้อมไปด้วยองค์แประการให้สาธุชนที่จะตั้งจิตสมาทาน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 พึงกำหนดการว่าจะรับสาวโบสดตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้แล้วพึงทำความเว้นโทษ น, นั้นเป็นอารมณ์อย่าให้มีจิตทุ่งส่้าส่งไปที่อื่นซึ่งสมาทานองค์โบสถทั้งอสองประทานโดยความเคารพเพื่อจะบูชาตำเเด็งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอันหนึ่งชีวิตเราทั้งหลายก็จะอยู่รอดมาจนถงึงวันโบสดเช่นนี้ขอท่านทั้งหลาย จงอยา่าปล่อยร่วงไปเสียเปล่าจากประโยชน์ั่นเลย <c oughs> มักยังพันเตติตรเนตระฮ า, าอัตถังกัตตมนากตังุโคตังยะจามะติยัมมักยังพันเตติตรเนตระฮาอัตถังกัตตะมนาคัตังุโคตังยาจามะติยัมติมักยังพันเ ต, ต อิตรเนรัสหาอาทังสะมะนาสังอุปโธังยาจามานะโมตัสสะภะคะวโตอรหโตจมามพุททสนะโตควโตอรหโตมามพุททสนะโตควโตอรหโตมามพุททส สัมมางขตานัปปุภะคะวะตุระตุสัมมาสังขุตตาอุดสระังจาิอุมสรนังจาิสัมมังสรังจานิสัมมังเสรเจอุดมเสระนังกจ ทุต um like no. ิยมพิถังสารนังกัจจานิทุติยมพิบังคันสารนังกัจจานิทุติยมพิบุตหังสารนังกัจจานิทุติยมพิถังสารนังกัจจาิ กัติยัมปิจังกังจเรนะจามิเรนะกัมมะนังมิทันิตาหรรมารมกขะบดังสมาิยานิ อาตนะธาตุนาเวรามะนีสิกขาปัฏฐานสมาิาิอนะธานเวรมะีสิกขาปมาิาิอาเวรมะีสิกขาปัาาิอ มุสาวาทาเวรานิยสิกขาบัณฑงสนาทิยานิสุราเมรยะมัจจาปณะตถาเวราณิยสิกขาบัณฑสนาทิยาน อิคาระเทชนาเวระมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิานีอราโคตนาเวระมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิานีนะเจคิตาอาคิตาวิชกุตัดฉนามาราคันทะโลปนาธาลนามันนาวิปชนาธานเวระมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิานี กสิทวะทิสติสุตัสนมารัภเวเลปนันาละวนินสานาเวรมขสมาิยาจยะนมหาสยนเวระมณีขสมาทิยาายนมหานเวรมณีขสมาิยานีติมา ก, กังรัตมะนาคต า, มมมางมริเวรังจิมันจารติมจิมันจักวิวสังสมาเทวอาอภิรักจิตวุงสมาธิามีพระเจ้าทั้งหลายจะพน้อมรับโอเบสดสินอันชอไปดง อ, องแปะกตา ที่พระสมาสัมพทธเจ้าตรงบรรจัดแต้ตั้งไว้ดีแล้วจะเส็บรักษาว้ให้ดีมีให้ขาดมีให้ทำรายตลอดชนนั่ววันหนึ่งแล mm ้เ hmm. ป็นนินเพราะผลของควาบุญส่วนนี้จึงเป็นอกุณิยตายเป็นปจนัจจัยนาไปถึงให้ทาน เนนาพุทธทานเรื่องหน้านิเทินฉะนี้ฉะนี้อัตถสิวัสดัชสีราวาสนาชานตุกกัตวาปะมาเทนาระคีตะวาเนสีโลนะจกะติมยนติสีโลนะปะกะจัมปะทาสีโลนะอิปะติมยนติปะสมะสีลังโตทายะกะพะปกั อัลลอฮฺตัมมาตั a บุตุ a ัมบุลาห์โยธามาลันตาบาริบานี a ัว a า a าโตอาคาตันโมตาน